มานาาเจปุทเทนาพาสติวากโรติวะตโตนังดุขมันเวติจักังว่าวะหะโตปาดังมโนปภังขมาดามามโนเสทษามโนมายา มานาสาเจปสันเนนาภาสติวากโรติวาตาตนหังสุขมันเวตีชายาวะอนุปายีนีพ อ, อนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นผู้ทรงเป็นพระอรหันต์ไกลจากกิเลตัสรุชอบได้ด้วยพระองค์เอง ทำทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้ามีใจเป็นใหญ่สำเร็จแล้วด้วยใจถ้าบุคคลใดมีใจร้ายแล้วจะพูดอยู่ก็ตามทําอยู่ก็ตามวัตถุทุกหรือมหรรันตุทุกย่อมตามย่อมเป็นไปตามเขาเพราะเหตุนั้นดุดล้อของรถหมุนไปตามรอยเท้าโคตัวที่นำแอกไปอยู่ฉะนั้น ทำทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้ามีใจเป็นใหญ่สาเร็จแล้วด้วยใจถ้าบุคคลใดมีใจผ่องใสมีใจดีมีใจที่เป็นกุศลแล้วพูดอยู่ก็ตามพูดอยู่ก็ดีทาอยู่ก็ดีความสุขความสงบย่อมเป็นไปตามเขาเพราะเหตุนั้นเหมือนเงาเป็นไปตามตัวเะนั้นอขอโมทนากับ คณะครูอาจารย์โรงเรียนบัรจงรัฐทุกทุกท่านในช่วงบ่ายนะหลังจากที่เราได้ไปพบกลุ่มของคณะครูอาจารย์หรือคณะพระพราอาจารย์ทั้งหลายเนี่ยก็หวังว่าคงจะได้อะไรดีๆมาเล่าให้ให้ฟังบ้างหรือสิ่งใดๆที่ยังไม่ค่อยเข้าใจ ก็อาจจะจับประเด็นทำให้เกิดความเข้าใจชัดขึ้นแล้วก็ดีงามขึ้นทั้งหมดเหล่านี้เมื่อสักครู่พูดถึงในเรื่องของใจถามว่าใจในที่นั้นหมายถึงมโนวิญญาณก็คือจิตเนี่ยนะโ อ, อ้ทำทั้งหลายเนี่ยหมายความว่าศรัทธาเนะวิริยะสติสมาธิปัญญาก็ดีเป็นต้นเหล่านี้นะหรือ ความไม่มีศรัทธาความไม่มีสติความไม่มีสมาธิเป็นต้นเหล่านี้ความไม่มีปัญญาเขาบอกว่ามีใจเป็นใหญ่สำเร็จลงด้วยใจกลุ่มนามธรรมาเนี่ยเขาแยกเป็นสองส่วนนะส่วนที่เรียกว่าใจกับส่วนที่เป็นธรรมที่เกิดร่วมกันกันกบใจมันจะมีสองส่วนนะโยมนะบางครั้งปกติใจของเราเนี่ยนะใจเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเป็นธรรมชาติที่เป็นประธานอยู่ แต่มันจะมีความเศร้าหมองคือความโลภคือความกำหนัดความยินดีทั้งหลายเนี่ยมันเข้ามาเจือปนในจิตบางคราวก็มีความโกรธบางคราวก็มีโทสะความพยาบาททั้งหลายเป็นต้นเข้ามาเจืออิงแอบอยู่ในจิตบางคราวก็มีความมืดความบอดทั้งหลายเหล่านี้เข้ามาอิงแอบอยู่บางคราวก็มีความรังเลสงสัยที่เขาเรียกว่าสภาพที่จิตไม่สะอาด ทีนี้สภาพจิตที่ไม่สะอาดเนี่ยเราท่านทั้งหลายเป็นตัวอุปสรรคนะที่จะขัดขวางทําให้เราทั้งหลายนั้นไม่สามารถที่จะเข้าถึงพระรัตนตรัยได้อย่างชัดเจนและไม่สามารถที่จะทําให้เรานั้นเข้าถึงสภาพใจที่เป็นไปกับกุศลได้อย่างชัดเจนทีนี้เขาเรียกว่าแต่ถ้าจิตที่สะอาดนะสภาพจิตที่เป็นไปกับกุศลกุศลเนี่ยเขาแปลว่าฉลาด แปลว่าชำนาญแปลว่าสบายเอื้อหรือเกื้อกูลเหมาะดีงามเป็นบุญคล่องแค่วตัดโรคนะตัดสิ่งที่ชั่วร้ายที่น่ารังเกียจออกไปจากใจส่วนอกุศลหรือบาปเนี่ยก็แปลสภาวะที่เป็นปฏิปักษ์ต่อกุศลหรือตรงกันข้ามกับกุศลเช่นความไม่ฉลาดความไม่ชำนาญความไม่สบายหรือสภาพที่จิต ท, ที่มันไม่เป็นบุญนี่นะอ่ะดูอย่างนี้นะว่า กุศลเนี่ยเป็นยังไงสังเกตดูนะสภาพใจเราจะเป็นกุศลหรือไม่ลองสังเกตดูนะอารมคยะนี่สั์เขาใช้คําเนี้ยความไม่มีโรคก็คือสภาพจิตที่ไม่มีโรคโรคคืออะไรความกําหนัดความยินดีความเพลิดเพลินความเศร้าหมองความหดหูท้อถอยความลังเลสงสยัยนั่นเป็นโรคของจิต ถ้าจิตที่ไม่มีโรคก็แปลว่าสุขภาพของจิตที่ดีสภาวะหรือองค์ประกอบที่เกื้อกูลต่อสุขภาพจิตทำให้จิตไม่ป่วยไข้จิตไม่ถูกบีบคั้นไม่กระสับกระส่ายเป็นจิตที่แข็งแรงแล้วก็คล่องแคล่วด้วยสบายใช้งานได้ดีไม่อืดอาดเวลาฟังทำฟังคำสอนอย่างนี้ก็ไม่อืดอัดแต่ถ้าฟังแล้วมันอืดอาดมันหนัก มันไม่คล่องแคล่วมันไม่คล่องตัวมันไม่อยากฟังอันนั้นแปลว่าจิตมันมีอะไรเข้าอยู่จิตมันเป็นโรคถ้าจิตเป็นโรคก็แปลว่าจิตมันป่วยถ้าจิตป่วยทําไงดีจิตป่วยทําไงต้องหาไงหมอคือหมอโรคจิต <c oughs> ยุ่งีลยยุ่งอาถ้าจิตป่วยเนี่ย จิตที่ไม่คล่องแคล่วจิตที่ไม่แข็งแรงจิตที่ถูกบีบคั้นจิตที่เจ็บป่วยจิตที่กระสับกระส่ายสุขภาพจิตที่ไม่ดีทั้งหลายอย่างนี้แปลว่าจิตป่วยเมื่อจิตป่วยต้องไปหาใครใครเป็นหมอพระรัตนตรัยหมายถึงพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นหมอท่นั้นหมอมีอยู่คนไข้คือผู้ป่วย สภาพจิตที่ย่ำแย่ก็มีอยู่จิตที่เศร้าหมองก็มีอยู่จิตที่เกิดความกำหนัดขัดเคืองก็มีอยู่จิตที่เกิดความมัวเมาลุ่มหลงก็มีอยู่จิตที่มีความท้อถอยก็มีอยู่ใช่ไหมจิตที่สภาพจิตที่เป็นโรคมีอยู่ถามว่าสภาพจิตกระแสชีวิตที่มีความเจ็บปวยอยู่ในภายในจิตอย่างนี้มีอยู่เนี่ยหมอมีเนี่ยแต่คนป่วยไม่ยอมไปพบหมอเป็นความผิดของคนป่วยหรือความผิดของหมอ ควับฝีของใครของคนป่วยนะใครมีสภาพจิตแบบนี้บ้างไหมมีไม่มียอมรับมาตรงๆซะเถอะมีจะไปมองคนอื่นนะบางทีเราพูดพวบเรานึกถึงนักเรียนเพราะเราเป็นครูเนี่ยครูนี่ชอบปัดพาระพนตัวนะออกไป <c oughs> คือมักมักจะมองคนอื่นไงเราเป็นห่วงคนอื่นเยอะสังเกตดุหไหมความเป็นครูเนี่ยเจอใครก็อยากจะสอนหมด บางคนก็ต้องบอกว่าอะไรนะมีคนก็พูดกันนะหมอกับครูนี่เขาไม่ค่อยเลือกนะครับเพราะอะไรรู้ไหมสอนบางทีไม่สอนในโรงเรียนกลับมาสอนที่บ้านด้วยเขาจะเจอมันจะมีท่าทีอยากสอนเรื่อยเนะ่ครูเนี่ยเคยเคยสังเกตไหมพอสอนไปสอนมาแล้วมันติดเนะี่ยถืออัธยาศัยมันเคยเนะย แล้วชงเกตุไหมเวลาคุยกับลูกจะมีคําว่าเข้าใจไหมเข้าใจไหมยืนตลอดเตมยังว่ามันจะมีคําอย่างเงี้ยพราะเราเคยว่าเข้าใจไหมนะเข้าแตเข้าเวลาไปคุยกับสามีก็บอกเข้าใจไหมนะเข้าแตเข้าไปคุยกับพ่อกับแม่บอกเข้าใจไหมโอ้ชักเลิศชักเลิศมดแล้วแต่เนี้ไปหลามอย่ะเลยเวลาไปคุยกับพระก็ที่ท่านเข้าใจไหมเนี้ยโอ้ยุ่งเลยย่งเลยแต่เนี้ยใช่ไหมลักษณะความเป็นครูก็จะเป็นเหมือนเนี่ย ลักษณะอย่างนี้ก็เรียกว่าจิตที่มีโรคฉะนั้นอารมคยะนี่เป็นสภาพของจิตที่ไม่มีโรคไม่มีจิตที่ไม่เจ็บป่วยฉะนั้นถ้ารู้ว่าจิตเจ็บป่วยก็ให้เข้าไปเฝ้าพุระเจ้าบ่อยๆเข้าเฝ้าพระเจ้าเพื่อฟังอะไรฟังพุทธโอวาทแล้วก็พุทธโอวาทนั้นมารักษามาประคับประคองมาแก้ไขจิตของเราจะได้พ้นจากความที่เป็นโรคเข้าสู่ความไม่เป็นโรคก็คือว่า จิตที่เป็นโรคก็จะเข้าสู่สภาพจิตที่ไม่มีโรคสุขภาพจิตก็จะดีภาวะก็คือองค์ประกอบที่เกื้อกูลต่อสุขภาพจิตก็ทำให้จิตนั้นไม่ป่วยไข้จิตนั้นไม่บีบคั้นไม่ถูกบีบคั้นไม่กระสรับกระส่ายเป็นจิตที่แข็งแรงคล่องแคล่วด้วยสบายใช้การงานได้ด้วยนี่ลักษณะหนึ่งอีกลักษณะหนึ่งก็คือว่าถ้าเป็นกุศลก็คือลักษณะที่ไม่มีโทษก็คือไร้ตาหนิ ทำระไรตําหนิคือสภาวะที่จิตสมบูรณ์ไม่บกพร่องไม่เสียหายไม่มีของเสียถ้ามันมีของเสียอยู่แปลว่ามันมีโทษอันนี้เป็นจิตไร้ของเสียไม่มีของเสียไม่มัวหมองไม่ขุนมัวสะอาดแล้วก็เกลี้ยงกราวด้วยเอี่ยมอ่องพองแผ้วอันนี้เป็นคุณลักษณะที่เราจะสังเกตได้ว่าสภาพจิตของเราเป็นอย่างนั้นไหม ถ้าเป็นอย่างนั้นเริ่มจากขยับเข้าหาสภาพใจที่เป็นกุศลได้แล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือว่ากุศลเนี่ยมาจากความฉลาดด้วยภาวะที่จิตนั้นเกิดร่วมกันกับปัญญาเข้าใจเหตุและผลสังเกตดูนะเวลาให้ทานเราขับเน้นมากใช่ไหมก็จะเริ่มเข้าใจว่าเอ๊ะเป็นฉันทะทานังให้ได้ลาเอียงเพราะรักไหมลำเอียงพเพราะโกรธไหม ลำเอียงเพราะไม่รู้ไหมรำเอียงเพราะกลัวไหมแล้วก็ลำเอียงก็หมายว่าให้ตามประเพณีไหมหรือหวังสุคติโลกสวรรค์หรือให้แล้วสบายใจถ้าในกรณีอย่างนี้แปลว่าปัญญานั้นยังไม่ค่อยเกิดแต่ถ้าสภาพปัญญาเกิดขึ้นจริงๆปัญญาก็จะพัฒนาพ้นจากภาวะตรงนี้เ อ, อ่อคณะพระอาจารย์แนะนำหรือยางว่า จะเข้าสู่สภาพแห่งการให้ทานรักษาศีลเป็นต้นแบบขั้นที่แปดที่เรียกว่าเป็นจิตตะลังกาละเนี่ยเป็นในอย่างประดับตกแต่งจิตปรุงแต่งจิตให้เข้าสู่สภาพคุณภาพของจิตที่ดีขึ้นแล้วก็ศักยภาพของคุณภาพของจิตก็คือก็อหมายความเกิดความรู้ความเข้าใจสว่างมองเห็นรู้เท่าทันไปตามความเป็นจริงกุศลเนะี่ยมีอะไร มีความฉลาดคิดมีความคิดที่แยบคายนั่นแหละเป็นเหตุใกล้เป็นเหตุ ใ, ตใกล้ฉะนั้นความฉลาดคิดความคิดที่แยบคายที่คิดสามารถที่จะทำให้สภาพใจที่เป็นไปกับปัญญาเกิดขึ้นแล้วก็แยกแยะได้พัฒนาสภาพจิตของตนเองได้นี่เป็นอย่างนี้นะฮะอีกอย่างหนึ่งที่เห็นได้ชัดก็คือว่าความสุขเกิดขึ้นแ ล, และสุขวิบาก เป็นสภาพที่ให้มีความสุขเวลากุศลเกิดขึ้นสังเกตตรงไหนเกิดที่นิจใจก็เกิดความสุขคล่องแคล่วได้ทันทีไม่ต้องรอว่าจะมีผลตอบแทนในภายนอกด้วยนะเวลากุศลเกิดขึ้นเนี่ยถ้าร่างกายแข็งแรงเนี่ยความไม่มีโรคมันก็หายไปไม่มีสิ่งสกบกเสียหายมลทินก็คือว่าสิ่งที่เป็นพิษเน่ยนะมาเกี่ยวข้อง สภาพที่ใจที่เป็นไปกับกุศลก็เหมือนกันเป็นลักษณะที่เป็นสภาพจิตที่เป็นไปกับสภาพที่กุศลก็มีสุขสมนานัตต่างๆเกิดขึ้นที่เป็นไปกับปัญญาเนี่ยให้สังเกตดูนะคําว่าปัจสัถานี่เขาแปลว่าความสงบเนี่ยมันจะมีทั้งความเบาความนุ่มความอ่อน ควรต่อการงานเหมาะที่จะใช้งานได้โดยคล่องแคล่วแล้วก็ซื่อตรงไม่คดงอด้วยคําว่าไม่คดงอนี่แปลว่าจะเป็นไปตามพุทธโอวาทเลยนะเป็นไปตามคําสอนเลยสภาพจิตจะเข้าถึงภาวะที่ดีงามและอย่างหนึ่งก็คือควรแก่การงานในที่นั้นก็คือใช้งานได้ผ่องใสก็คือแข็งแรงแล้วทนทานสังเกตนะเช่น ถ้าเมตตาเกิดขึ้นมันจะแข็งแรงและทนทานเวลาเจออุปสรรคเจอปัญหามันก็จะไม่หดกลับมันจะไม่ทอ้อเป็นไว้แลเช่นเราไปเมตตาเขาทําอุยรักปรารถนาดีกับเขามาวันดีคืนดีเขากลับมาด่ากลับเราอยสภาพจิตก็จะไม่ท้อถอยไม่ถอดใจโอทําดีไม่ได้ดีเลยต่อไปไม่ทําจะไม่มีความคิดอย่างเนี้ย เคยมีไหมล่ะสภาพจิตแบบนี้ก็คือไม่ไปท้อกับการเสียงบ่นด่าข้างนอกเลยสภาพความทนทานของสภาพจิตแต่ไม่ใช่ทนทานแบบหน้าด้านนะยมันคนละอย่างกันนะคนบางคนก็ทนหน้าด้านเหมือนกันนะเคยสังเกตไหมทาผิดยังไงเขาก็ไปดา่าไงแกก็โทษของแกนี่นะเคยเห็นไหมล่ะเอาคนบางคนไปทำผิดขนาดไหนเขาเขาว่ากันทั้งบ้านทั้งเมืองก็เชยอยู่เคยเห็นไหมล่ะ อันนั้นไม่ใช่กุศลนะแต่สภาพของกุศลจริ ง, รงๆเนี่ยหมายความว่าไม่ท้อต่อการทําดีไม่ถดเอางี้ต่อไปเรากวาดบ้านทุกวันทําความสะอาดหุงข้าวทําการทุกวันอยู่ต่อมาสามีกลับมาแล้วด่าเราทุกวันสมมติเนี่ยทอ้อไหมท้อไหมอันนี้ไงเนี่ยลักษณะอย่างเนี้ยถ้ารักสมบัติสภาพของกุศลเกิดขึ้นมันจะไม่หดกลับมันจะไม่ท้อทําไมถึงไม่ทอ้อ ก็พิจารณาว่าเอ๊ะการกระทําทางกายเราเป็นยังไงกระทําทางวาจาเป็นยังไงจิตของเราที่กระทำไปเป็นไปกับคุณความดีคุณภาพจิตของเราดีขึ้นจะไปทอ้อได้ยังไงเราไม่ได้หวังผลภายนอกนะแต่เราได้ทักษะความสามารถความรู้แล้วได้สภาพใจที่เป็นกุศลและมีความมั่นคงทนต่อสิ่งแวดล้อมที่จะมาเสียดทานาลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่ากุศลมองเห็นหรือยังยากไหมอย่างเงี้ยเริ่มยากแล้วเริ่มยากยากไม่ยาก สรุปตรงนี้ก็คือว่าให้กำหนดง่ายขึ้นก็คือว่าลักษณะของความบริสุทธิ์ผ่องใสก็คือว่าปราศจากความขุนมัวไม่เศร้าหมองผุดผ่องนี่นะอีกอย่างหนึ่งก็คือไม่ติดข้องไม่คับแคบไม่ถูกจำกัดขัดขวางไม่ถูกกดทับหรือบีบคั้น ไม่อึดอัดแล้วก็กว้างขวางไร้เขตแดนด้วยนะสภาพกุศลจะเป็นอย่างนี้คำว่านุ่มนวลก็คือเบาสบายไม่หนักคล่องแคล่วทนทานก็คือไม่กระด้างด้วยซื่อตรงไม่เอ็นเอียงไม่คดงอไม่บิดบางทีเนี่ยลักษณะที่กุศลและจิตเกิดขึ้นจะมีความตั้งมั่นไปตามพุทธโอวาสไปตามคำสอนอันนี้ก็คือสภาพใจที่เป็นไบกุศลที่เราก็สังเกตนะนะทีนี้ เราท่านทั้งหลายก็มาพูดถึงในเรื่องของพระาราตน้าไตรแล้วก็เชื่อมลงสู่ในเรื่องของทานกุศลศีลกุศลเป็นต้นประเด็นที่เราจะที่ต้องการอยากจะขับเน้นก็คือว่าเมื่ออุบาสกอุบาสิกาผู้มีปัญญาบางท่านพิจนาณาเห็นอนาคตตภัยอันตรายที่จะมีต่อชีวิตเช่นความตายอาจจะมาถึงเราในยาบทใดยาบทหนึ่งก็ได้ใช่ไหม ใครรู้ไหมว่าเราจะตายอย่าบวยืนอย่าบวเดินอยาบวนั่งหรือยาบวนอนรู้ไหมรู้ไม่รู้ไม่รู้รฉะนั้นพอเราพิจารณาอย่างนี้แล้วเนี่ยทำไมจึงจิตใจเราต้องน้อมถึงคุณของพระเจ้าตลอดเวลารู้ไหมก็เพราะว่าเมื่อจิตของเราเนี่ยน้อมในคุณของพระรัตนตรัยอย่างต่อเมื่องต่อเนื่องเนี่ยนะเออสังเกตอย่างนี้ สังเกตว่าถ้าหากว่าจิตใจของเราไม่มีหลักนะไม่มีหลักนะก็แปลว่าจิตใจของเรามันซัดสายไม่มีเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจเมื่อไม่มีเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจเขาเรียกว่าสภาพจิตใจ น, นั้นเนี่ยไร้ที่พึ่งถาว่าในยามที่เราทุกข์ใจในยามที่เราประสบปัญหาทั้งหลายเป็นต้นเหล่าเนี้ยเราคิดถึงใครเป็นคนแรก อาชีวิต ท, ที่ผ่านมาเนี่ยเคยมีเรื่องทุกข์ใจไหมล้วคิดถึงพ่อแม่ใช่ไหมเห็นไหมเดิมากเราคิดอย่างนั้นแท้ที่จริงเนี่ยพ่อแม่ใช่ศาสนาไหมศาสณามีเท่าไหร่พุทธังสารนังขะฉามีใช่ไหมธรรมังสารนังขะฉามิสังฆังสารนังขะฉามิมีคําว่าบิดาสารนังขะฉามไม่มีไหม มีคำว่าสามีเป็นสาธารณะก็ะไม่มีไหมเพื่อนเป็นสารณะก็ไม่มีนะแกนั้นสารณะของพุทธเจ้าพุทเราเนี่ยมีสามแต่ทําไมเวลาเราทุกข์ใจเราจะคิดถึงสามีบ้างคิดถึงลูกบ้างคิดถึงพ่อแม่บ้างเพราะอะไรตอบได้ไหมตอบได้ไม่ได้เอาใช้ตอบหน่อยสิเมื่อกี้บอกพ่อแม่พ่ออะไรอพ่ออะไรเนะี่ย นี่ม่ฮะไม่ใกล้ชิดใช่ไหมคิดถึงพ่อแม่แล้วมีความมีความรู้สึกไงต่ออบอุ่นขึ้นมาทันทีอบอุ่นว่าถ้าถ้าพ่อแม่ตายแล้วจะคิดถึงใครฮะตอนนี้แสดงว่าแสดงว่าตอนนี้สาารณะเรายัางยังไม่แข็งแรงใช่ไหมใจเรายัางยังเที่ยวไป ยึดไว้กับตัวบุคคลนะอันนี้อันตรายนิดนึงนะยังไม่นิดแล้วนี่ต้องบอกว่าอันตรายพอสมควรเลยเพราะ อ, อะไรรู้ไหมพ่อแม่ก็จะต้องแก่เท่าไปเรื่อยๆไหมที่สุดยิงพ่อแม่จะอยู่ได้ไหมอย่าว่าแต่พ่อแม่หรือตัวเราก็อยู่ไม่ได้เนอ้อถ้าเราใจไปผูกยึดไว้กับพ่อแม่ถ้าพ่อแม่เป็นอะไรไปเราจะทํำยังไงทีแม่จะพังนี่ไง หรือเอาไปไว้กับแฟนถ้าแฟนเป็นอะไรไปแล้วจะทำยังไงแปะเป็นอื่นตลอดเวลานะอย่าลืมนะเอาความรู้สึกไปไว้กับสามีเอาความรู้สึกไปไว้กับลูกเอาความรู้สึกไปไว้กับทรัพย์เอาความรู้สึกไปไว้เกียรติยศชื่อเสียงเอาความรู้สึกไปไว้กับพ่อแม่ปู่ย่าตายายทั้งหมดเหล่านี้ใช่สารณะไหมใช่เครื่องกำจัดภัยไหมใช่ที่พึ่งอย่างแท้จริงไหมไม่ใช่ แต่ทำไมเราจึงคิดถึงสิ่งเหล่านี้มากเหลือเกินที่สอนไม่ใช่ไม่สอนให้คิดถึงพ่อแม่ในะเดี๋ยวตามตามทำใหดูนะว่าทาไมเราต้องคิดถึงพ่อแม่เดี๋ยวมาตามประเด็นนั้นกันอีกทีตรงนี้บ่งบอกให้เห็นว่าความมั่นคงในสารณะยังไม่ชัดเพราะเรายังไม่เข้าใจว่าพระพุทธเจ้านี่เป็นสารณะเป็นที่พึ่งได้อย่างไรยกตัวอย่างเช่น เราเปิดหนังสือสวดมนต์ที่มีหนังสือสวดมนต์หน้าที่เจ็ดสิบเอ็ดนะหน้าที่ 7, เจ็ดสิบเอ็ดว่าไงในเจ็สิบเอ็ดว่าไงเรื่องอะไรเอาลองอ่านดูที่หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามเอาเดี๋ยวเอาแค่นี้ก่อนเห็นไหมตรงเนี้ย พุทธโอวาสบอกภิกษุทั้งหลายรวมถึงภิกษุณีด้วยและอุบาสกบาศิกาอย่างเราด้วยเอาภิกษุเป็นประธานอย่างนี้เขาเรียกว่าเหมือนคําว่าพระราชาสเสด็จเนี่ยไม่ใช่พระราชาท่านเดียวยังมีอามาตราชบริพารตามมาด้วยแม้ชันใดเวลาพุทธเจ้าบอกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเนี่ยบอกว่าภิกษุณีด้วยอุบาสกอย่างเราด้วยอุบาสิกาอย่างเราด้วย รวมกับเบ็ดเส ก, ก็คือครูในโรงเรียนมรรจงรัฐนี้ทั้งหมดด้วยตลอดถึงประชาชนที่เป็นพุทธบริษัทวิชา โ, โลกทั้งหมดด้วยเนี่ยบอกว่าชนเหล่าอื่นว่าไงนะข้อแรกว่าไงนะเออชนเหล่าอื่นเป็นคู่ที่เบียดเบียนสัตว์รังแกสัตว์คิดร้ายต่อสัตว์คิดเบียดเบียนเขาคิดเบียดเบียนก็คิดให้เขาวิบัติไงเคยคิดไหมหล่ะ ถามจริงก็ ค, คิดไหมเช่นขับรถไปมีมอไซค์ปาดหน้าปึ๊ดคิ ด, คดยังไงไปตายซะไปอะไรเงยเคยคิดไหมล่ะเคยคิดหรือไม่เคยบอกมา ต, งตรงๆเคยไหมเคยเนาะแล้วมีใครด่าว่าเราไปเสร็จแล้วก็นึกแงงในใจว่าไปตายซะไปเคยคิดไหมล่ะเคยไม่เคยถามจริงเออเลองยกมือที่ใครเคยคิดบ้างเอายกมือ โอ oh, ยอือนกั น, นเอามือลงนะเนาะอ่อเคยคิดกับนักเรียนแบบนี้ไหมสอนบอกนักเรียนสอนว่ายากเลยนะไปตายใชไหม เ, เคยคิดไหมเคยคิดคกั บ, ก, บกับสามีไหมกับภรรยาไหมพูดยังไงก็ไม่รู้เรื่องพูดกับใครไม่รู้เรื่องก็เลยนึกในใจว่าไปตายใชไหเนี่นึกไหมคิดไม่คิ ด, ค, ดคิดอย่างนี้เขาเรียกคิดเบียดเบียนเนี่ยคิดเบียดเบียน พระเจ้าบอกว่าไงว่าชนเหล่าอื่นคนอื่นเขาคิดเบียดเบียนในข้อนี้เราเราจากอะไรดูสิเราจากอะไรนะเออเป็นผู้ไม่เบียดเบียนก็คือจะจะไม่คิดฆ่าไม่คิดทําลายเขาไม่คิดให้เขาวิบัติเพราะชีวิตไม่คิดให้เขาวิบัติเพราะทรัพย์ไม่คิดให้เขาวิบัติเพราะเกียรติยศชื่อเสียง ไม่คิดให้เขาแ ต, แตกแย ก, กจากกันเป็นต้นก็น้อมออกมาลักษณะนงงี้พุทธโอวาสบอกไงบอกว่าคิดเบียดเบียนเขานี่มีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์คิดไม่เบียดเบียนนี่มีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์นี่ไงมีประโยชน์ถ้าไม่เบียดเบียนก็คือออกจากความเบียดเบียนเนี่ยไม่อย่างนี้เป็นมีประโยชน์ลักษณะอย่างนี้เนี่ยเขาเรียก ว, ว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นพุทธรัตนะเพราะอะไร เพอให้เรากลับจากสิ่งที่ออกจากสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แล้วก็หันกลับเข้าหาสิ่งที่เป็นประโยชน์เอาข้อสองว่าไงช่วยเราอื่นทําไมในข้อนี้อะไรเออเราจะงดเว้นจากปรารปฏิบาตก็แปลว่าให้ตั้งสมาทานตั้งใจไว้ถามว่าในโลกใบเนี้ยคนที่ฆ่าสัตว์มีเยอะหรือมีมากหรือมีน้อย คนฆ่าเนี่ยนักฆ่ามีเยอะไหมนักฆ่าปลาก็มีเยอะนักฆ่าเป็ดก็มีเยอะนักฆ่าไก่ก็มีเยอะนักฆ่ากบนักฆ่าเขียดทั้งหลายเหล่านี้มีเยอะหมดเลยนักฆ่าแมลงก็มีเยอะใช่ไหมล่ะแล้วก็สมาทานที่คนส่วนคนเหล่าอื่นเขาจะเป็นผู้ฆ่าไงเราในข้อนี้เราสมาทานตั้งใจไว้เราจักงดเว้นจากการฆ่า ใช่ไหมก็คืองดเว้นจากการปฏิบาติไม่คิดคาดไม่ไม่ทำกายกรรมทั้งหลายไปล่วงละเมิดในการทำชีวิตสัตว์ให้ตกล่วงอย่างนี้ฆ่าเนี่ยไปหารายประโยชน์ก็คือไปทำลายชีวิตเขาทางงดเว้นจากการฆ่าอันนี้ก็คือได้ประโยชน์ใครเป็นคนให้เราตั้งใจ พระพุทธเจ้าเห็นไหมพพุทธโอวาตตรงเนี้ยให้กลับจากสิ่งที่ออกจากสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์หันกลับเข้ามาหาสิ่งที่เป็นประโยชน์เกอคุณนักข้อสามว่าไงถามว่าเอาในจังหวัดลบบุรีเนี่ยนักลักนักลักทรัพย์มีเยอะไมมเยอะเอาไม่เชื่อรองเปิดบ้านเลยแล้วเขียนติด หน้าต่างติดประตูไว้เชิญท่านทั้งหลายขึ้นมาได้เจ้าของมาอบรมคิดว่ากลับไปจะหมดไหมนี่ไงเราจะเห็นว่าชนเราอื่นเป็นผู้รักทรัพย์แล้วก็สมาทานในใจว่าเราจะไม่รักถามว่าตั้งลักษณะอย่างนี้ก็คือพระธเจ้าเนี่ยให้เราออกจากสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์เกื้อกูลกลับเข้าหาสิ่งที่เป็น ประโยชน์เกื้อกูลเข้าใจคำว่าพุทธัตะนาหรือยังถ้าเราคิดอย่างนี้เบเสร็จปุ๊บให้สังเกตนะไล่ไปที่ว่าเอาไล่ข้อต่อไปว่าว่าไปเรื่อยๆที่ข้อที่สี่ว่าไปว่าไปเอาแค่นี้ก่อนให้สังเกต ด, ดูนะว่า ความทุกข์ใจเนี่ยมันจะมาจากความโลภมันมาจากความโกรธความพยาบาทมันมาจากความเห็นผิดพระุทธเจ้าบอกว่าให้ตั้งใจให้สมาทานบ่อยๆเพียงยังกุศลธรรมกุศลจิตให้เกิดขึ้นแค่ตั้งใจอย่างนี้กุศลก็เกิดอย่างมากมายแล้วขอเราตั้งใจบ่อยๆแล้วก็น้อมความคิดอย่างนี้บ่อยๆว่าคนเราอื่นเนี่ย มักเบียดเบียนในข้อนี้เราจะงดเว้นเราจะไม่เบียดเบียนชนเราอื่นเป็นคนทำปาปนาติบาตก็คือฆ่านี่นะแต่เราจะงดเว้นจากการฆ่าคนเราอื่นเนี่ยน้อมไปในการลักทรัพย์แต่เราจะงดเว้นจากการลักชนเราอื่นเนี่ยประพฤติผิดในกรรมนะแต่เราจะงดเว้นจากการประพฤติผิดในกรรมเราจะไม่ประทุสร้ยสายบุตรหรือภรรยาสญาติมิตรของใครชนเราอื่นเนี่ยเป็นผู้ที่กล่าวเท็จแต่เราจะกล่าวคําสัตย์คําจริง ชนเราอื่นเนี่ยกล่าวคําส่อเสียดมีต่การพูดเอาฟังความข้างโน้นก็มาบอกข้างนี้เป็นเหตุทําให้คนแตกแยกกันแต่ในข้อเนี้เราจะเป็นผู้กล่าวงดเว้นจากการกล่าวส่อเสียดเราจะพูดให้คนสมัครสมานสามัคคีกันทําคนที่แตกกันให้กลับคืนดีกันสรรเสริญคนที่สมัครสมานสามคัคคีแล้วก็ชื่นชมบุคคลที่เขาสามัคคีกันเป็นต้น ชนเราอื่นพูดคําหยาบด้วยโทสะแต่เราจะพูดด้วยปียะวาจาคือวาจาที่อ่อนหวานเป็นไปกับกุศลชนเราอื่นชอบหลืเกินเรื่องไร้สาระผู้ที่ตลกทีไปวังๆเนี่ยพูดไม่มีสาระแกนสารแต่เราจะพูดสิ่งที่เป็นอัดเป็นธรรมะเป็นคําสอนเป็นเรื่องที่เป็นไปกับเหตุและผลเห็นไหมชนเราอื่นเป็นผู้ที่มีความโลภเนี่ยแต่เราจะไม่โลภ คนเราอื่นเนี่ยเขาพยาบาทเขาโกรธกันง่ายมากแต่เราจะมีเมตตาคนเราอื่นเนี่ยเขมีความเห็นผิดนะแต่เราจะน้อมเห็นความเห็นถูกทำสัมมาทิฏฐิให้เกิดขึ้นลักษณะอย่างนี้พระพุทธโอวาสหรือพระเจ้านั่นแหละให้เราออกจากสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แล้วก็กรับเข้าหาสิ่งที่เป็นประโยชน์เกื้ อ, อ, อกูลเพียงเราตั้งใจบ่อย ความตั้งใจก็กินไปตั้งห้าสหกสอร์เซนต์แล้วที่เราจะสามารถขัดเกลารตัวเองได้ใช่ไหมตรงนี้เราไม่ได้สมาทานตั้งใจเขาไว้บ่อยๆยยไงใจของเราก็เลยไม่แข็งแรงก็เลยไม่เข้มแข็งเราก็เลยอ่อนแอเป็นไปตามสิ่งแวดล้อมและเป็นไปตามสภาพของสังคมเช่นเห็นเขาเบียดเบียนคนอื่นทําไมคนอื่นทําได้ทําไมเราจะทําไม่ได้คนอื่นเขาก็ฆ่าสัตว์เราก็ต้องฆ่าบ้างคนอื่นเขากลักทรัพย์เรามีโอกาสก็ต้องมีการหยิบฉวยบ้าง คนอื่นเขาพูดผิดในกรรมเราไปไประชุมไปอบรมอะไรต่างๆห àng, า่างไกลครอบครัวแล้วก็พูดผิดในกรรมบ้างก็เห็นเป็นไรใช่ไหมคนอื่นก็พูดเท็จเอา้าเราก็ต้องพูดเท็จกับเขาคนอื่นพูดส่อเสียดแล้วก็พูดส่อเสียดคนอื่นพูดหยาบแล้วก็พูดหยาบคนอื่นพูดเพ้อเจ้อแล้ก็พูดเพ้อเจ้อคนอื่นโลภแล้วก็โลภ บ, บ้างสิเราจะไปอย่างนั้นได้ไงเราก็จะเสียเปรียบเขาคนอื่นเขาโกรธได้เราก็โกรธตอบคิดอย่างนี้ เขาเรียกว่าไม่ฝึกตนเองไม่พัฒนาตนเองไม่ขัดเกลาตนเองและไม่เดินตามพุทธโอวาทแล้วพระพทเจ้าก็ช่วยเป็นสาสนะให้เราไม่ได้ใช่ไหมถ้าพระเจ้าจักเป็นสาสนาให้เราได้แปลว่าอะไรเราก็ออกจากสิ่งที่ไม่ไม่มีประโยชน์กลับเข้าหาสิ่งที่เป็นประโยชน์เกื้อกูลเสียได้ประโยชน์ไหมอย่างเนี้อย่างนี้แปลว่าพระพุทธเจ้าช่วยเราไหม ช่วยเตือนจิตเราให้ออกจากสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์กลับองหาสิ่งที่เป็นประโยชน์อย่างนี้เขาเรียกฝึกตนเองดูทุกข้อเนี่ยเราจะเห็นชัดในสันเลขาทำเนี่ยทำที่เป็นเครื่องขัดเกลวเนี่ยทำไมเราต้องขัดเกลาเพราะอย่าลืมนะว่าสภาพจิตของเราเนี่ยยังไม่ถึงชั้นที่จะต้องดีพอหรือหน้าไว้ใจฉะนั้นจึงจะต้องขัดเกลาในทีนี้ การเข้าถึงพ ร, ราตนาตรายคือพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังขรัตนะเนี่ยที่ได้พูดไปแล้วว่าเออทำไมเราต้องสมาทานตั้งมั่นในการที่จะถึงสรารณาคมในการที่จะถึงพรัตรนาตรายเนี่ยเพราะเรามีความมั่นใจว่ามนุษย์เนี่ยถ้าสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งที่เป็นมนุษย์นี่แหละ แต่ทรงฝึกพระองค์แล้วเนี่ยอัตตาทันต์เนี่ยมีพระอาทยที่อบรมถึงที่แล้วแม้เทพทั้งหลายก็น้อมนมัสการตรงนี้ก็คืออะไรเนี่ยในหมู่มนุษย์ผู้ที่ประเสริฐที่สุดก็คือคนที่ฝึกฉะนั้นการที่เราเดินตามหลักของการน้อมในการคิดไม่เบียดเบียนคิดไม่ฆ่าเป็นต้นเหล่านี้อันนี้คือการฝึกตัวเองนี่คือการพัฒนาตนเองศรัทธาในพระผู้มีพระภาคเจ้าก็คือความเชื่อมั่น ในจุดที่เริ่มให้เกิดกำลังใจในการที่จะฝึกตนแล้วก็มั่นใจในการที่จะศึกษาตามคําสอนของพุทธเจ้าแล้วก็พร้อมด้วยการที่จะเตือนจิตของตอนเองนะว่าเอาละเตือนจิตว่าเออเราจะต้องศึกษาฝึกหัดพัฒนาตนเริ่มต้นก็ต้องมีศรัทธาคือความเชื่อมั่นตถาคตโพธิศรัทธาดังกล่าวแล้วเนี่ย เชื่อว่ามนุษย์เนี่ยเป็นสัตว์ที่ฝึกได้เรียกว่ามีศักยภาพในการที่จะฝึกตัวและมีศักยภาพในการที่จะพัฒนาตนเองได้นะหรือมีศักยภาพที่สามารถจะศึกษาสามารถจะพัฒนาหรือฝึกตนให้เป็นผู้ที่ประเสริฐขึ้นมาได้เห็นไหมการดำริการคิดเนี่ยถ้าเราไม่คิดว่าเออเนี่ยคนอื่นเขาเบียดเบียนแต่เราจะออกจากความเบียดเบียนคนอื่นเขาฆ่าเราจะไม่ฆ่าคนอื่นเขารัก เราจะไม่รั ก, ค น, นรนกรนคนอื่นเขาพูดผิดในกรรมเราจะงดเว้นคนอื่นเขาพูดเท็จส่อเสียดทาอย่างเพื่อเจือแต่เราจะน้อมในการที่พูดคำสัตย์คำจริงเป็นต้นถามว่าถ้าไม่มีความตั้งใจทําอย่างนี้เขาเรียกว่าคนที่พร้อมจะฝึกตัวเองไหมก็ไม่พร้อมไม่พร้อมก็แปลว่าอะไรเนี่ยก็แปลว่าเราไม่เชื่อมั่นว่ามนุษย์จะฝึกได้และมนุษย์ะเป็นสัตว์ประเสริฐได้ด้วยการฝึก แต่นี้เราเชื่อมั่นแล้วใช่ไหมว่ามนุษย์จะประเสริฐได้ด้วยการฝึกไม่ใช่เป็นมนุษย์เฉยๆแล้วจะประเสริฐทีนี้ประการต่อมาก็คือว่าพอมีตถาคตโพธิสัตย์เชื่อในศักยภาพความเป็นมนุษย์ที่พัฒนาเป็นพุท ธ, ธาได้ทีนี้ก็ความเชื่อในการที่จะศึกษาพัฒนาตนทีนี้ประเด็นต่อมาก็คือว่าเวลาเราสวดพุทธคุณอิติปิโสพระคาวัช สวดแล้วได้กำลังใจไหมได้ไม่ได้แล้วตอนนี้เราสวดแล้วได้กำลังใจไหมได้กำลังใจว่าพระพุทธเจ้านี้แหละจากที่เป็นมนุษย์ฝึกฝนพัฒนาตนเองจนเป็นพระพุทธเจ้าได้แล้วสาวกของพระพุทธเจ้ามีทั้งบรรปชิตและครหอขัดก็จากที่เป็นมนุษย์ธรรมดานี่แหละแต่พอเอาศรัทธาไปตั้งไว้ในพระธรรคดแล้วก็เชื่อมั่นมนุษย์เนี่ย ฝึกฝนพัฒนาตนเองได้ทีนี้ก็ไม่มัวพูดกันลอยๆเคว้งคว้างหรืออย่างกว้างขวางจงกนกระทั่งจับอะไรก็ไม่ถูกเพราะพุทธคุณมีเท่าไหร่มีกี่ข้อเก้าข้อต้องนับดูทีข้อที่หนึ่งว่าไงว่าไงโอ้ต้องดูหนังสือแล้วต้องดูหนังสือแล้วขนาดพุทธคุณนะเนี่ยพุตธคุณนะ ว่าไงท่านอาจารย์โรงเรียนบรรจงราตพุทธคุณมีเท่าไหร่เก้าขึ้นหนึ่งอลหังใช่แปลว่าอะไรเป็นผู้ไกลจากกิเลสใช่ไหมข้อที่สองมีเสียงเดียวเองนอกนั้นยังเปิดถามไม่เจอเลยพุทธคุณอยู่ตรงไหนไม่รู้นี่ไงพุทธคุณเก้าโอ้ี่เริ่มรู้ความจริงแล้วเนี่ยแสดงว่าไม่ได้สวดมนต์กันเลยเนี่ย อา้าสมมติถ้าพระถามไม่สมมติแล้วพระจะถามตอนนี้เลยนะทำไมไม่สวดพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณบ่อยๆทำตอบเอา้านึ่งไม่มีเวลาใช่ไม้มเราจะตอบคานี้ใช่ไหรือตอบอยังไงทำไมไม่สวดเพราะอะไรไเกาหัวเลยเอเกาหัวแล้ว เป็นไงคันหัวขึ้นมาเลยพ่อ า, าถามมีคันหัวแล้วเรื่องถามจริงทำไมไม่สวดอ๋อโอ้ โ, อโหเนยะสาธุกันหน่อยอะสาธุอเอาเอาละได้ตั้งใจสักหนึ่งพ่อก็มีกำลังใจแล้วเนี่ย <c oughs> โอ้ยอย่างนี้คอยช่วยหน่อยจะไม่เล่ะ บางทีเราชอบบังคับให้เด็กสวดกันเนี่ยแต่เราไม่ค่อยสวยดนะผู้คุนมีกี่มีเท่าไหร่นะเก้าเนี่ยอย่างย่อนนนเนี่ยหนึ่งว่าไงาเป็นผู้กายจากกิเลสสองดูที่สามมาสามุทโธแปลว่าอะไรไม่ถามแล้วอยางงี้ไม่ถามแล้ว ไปถามแล้วอรหังที่จริงเนี่ยนะในสมัยก่อนๆแม้แต่ยุคปัจจุบันนี้เนี่ยพทุทธคุณยังไหลอ ย, อยู่ในใจของบุคคลที่เขาเป็นอริยบุคคลทั้งหลายหรือบุคคลที่เขาเป็นชาวพุทธอย่างแท้จริงนะเขาไปนะที่ไหนเนี่ยเป็นเพลงประจําใจเขาเลยหรือเปล่าอารหังเป็นผู้กายจากกิเลสสัมมาสัมพุทโธเป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระ อ, องค์เองวิชาเจารณาสัมปันโนเป็นทูตถึงพร้อมได้วิชาและเจรณะ นี่นะอามาเนี่ยไปที่อินเดียอามาไปเจอพระแล้วก็เขาสอนเด็กอินเดียเนี่ยเวลาเขาสวดเนี่ยเขานอบน้อมเขาตั้งใจจริงๆอามาไปฟังยังรู้สึกตื่นเต้นเลยเวลาเขาสวดนี่นะเขาสวดงไงต้องตั้งใจด้วยนะเราลองน้อมน้อมมองดูเวลาเขาสวดเขาตั้งใจจริงจริงอโยมลงบนนมมือเดี๋ยวพระสวด พุทธคุณให้บางนิดหนึ่งเอปิโสภาคาวาอราระหังสัมมาสัมพุทโธเวจ า, จาระนาสัมปันโนสุขะโตโลกาวิรูอโนตาโรโอปุริสอาดัม มาสารดีสาธเดวมนโนซางพุทโภควาตีสวากาโตภควตาดัมโมสันดิทิโกะกาลิโกเอหิปัสสิโกโอปะนายโก อาจัดตังเวทิตำโหวิโยหิตีสุปาติปัโนภาคาวโตสาวกสังโกอุชุปาติปัโนภาคาวโตสาวกสังโกยะยปาติปัโนภาคาวโตสาวกสังโก สามีจิปฏิปั น, นโนภาคาวะโตสาวกาสังโกอาหุเนโยปาหุเนโยนักขิเนโยอันจริกาลิโยอนุตรังปุญญาเขตังโลกาสาตติฟังก็สวดวอู้หน่าชื่นใจเนอะเห็นไหมอย่างนี้แปลว่าอะไรเนี่ย แต่ว่าพุทธคุณธรรมคุณและสังฆคุณเนี่ยอยู่ในห้องใจเขาตลอดเวลาจริงๆแล้วเขารู้ความหมายด้วยนะทำไมถึงเป็นอย่างนี้นี้เขาแปลว่ามีสาระมีที่พึ่งแล้วเขาฟังเขาระลึกอย่างนี้เบียดเสร็จเขาก็นึกถึงพุทธโอวาทเขาก็ไม่กล้าคิดเบียดเบียนใครเขาก็น้อมตามพุทธโอวาทว่าคิดในการที่จะไม่เบียดเบียนคิดกรุณาเขา มีความการุณาสงสารสัตว์ทั้งหลายเกิดมาแล้วเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยนะเราก็รักสุขเกียรติทุกเขาก็รักสุขเกียรติทุกฉะนั้นจึงไม่ควรคิดเบียดเบียนใครเลยเนี่ยพุทขาก็ออกจากการคิดเบียดเบียนได้เออสัตว์ทั้งหลายก็พากันฆ่ากันประทุษล้ายกันด้วยชีวิตแต่เราจะมีจิตที่เมตตามีความรักปรารถนาดีเ อ, อื้อทอนให้กษัตริย์ทั้งหลายยังปรารถนาคอยสัตว์ทั้งหลายจงมีอายุยืน รักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งหลายทั้งปวงเธอที่ไม่ใจก็ก็น้อ ม, มในการที่จะให้สัตว์ทั้งหลายมีอายุยืนเออคนอื่นเขาพากันลักทรัพย์แต่เราปรารถนาให้สัตว์ทั้งหลายนั้นเป็นผู้มีทรัพย์มากและจงมีความสุขอยู่กับการใช้ทรัพย์จงใช้ทรัพย์นําทรัพย์นั้นไปทําความดีประกอบกุศลทําความดีให้มากๆยิ่งขึ้นไปและย่าได้เดือดร้อนเพราะการได้ทรัพย์หรือไม่มีทรัพย์เลยเห็น ไ, ไหมการคิดในลักษณะนี้ก็แปลว่าอะไรเนี่ย เข็นพุทธโอวาทอยู่ในใจแล้วก็น้อมออกจากสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์กลับเข้าหาสิ่งที่เป็นประโยชน์เกื้อกูลถามว่าสภาพจิตใจตอนนั้นฝึกอยู่ตลอดเวลาไหมพัฒนาอยู่ตลอดเวลาหรือไม่ก็ฝึกอยู่ตลอดเวลาพัฒนาอยู่ตลอดเวลาถ้าเป็นไปในลักษณะนี้มีสารณะหรือไม่มีตอนนั้นน่ะถ้าหากคิดว่าคนอื่นเขาฆ่าแต่เราจักไม่ฆ่า เราจะให้ความปลอดภัยในชีวิตของสัตว์ทั้งหลายทั้งหมดทั้งจั ก, กรวาลด้วยใจเขาน้อมที่เป็นไปกับเมตตาตอนนั้นตอนนั้นเขามีสารณาข้อไหนพุทธัทงสารานาังขะฉามิธรรมังสารานังขะฉามิหรือสังขังสารานาังขะฉามิตอบหน่อยออตอบตอบตอบตอ บ, ตอบเดี๋ยวใครคุยกันเถามนะเนี่ยอตอนนั้นมีพุทธัทงสารานาังขฉามิ เออมีทำมังสะนางกระฉามีหรือมีสังขังสะนางกระฉามีฟังใหม่นะฟังปัญหาใหม่นะต้องไปค่อยไป ค, ยค่อยเขียนกอไก่ขอไข่กันหน่อย <c oughs> <c oughs> เราคิดอย่างนี้ว่าเราเห็นคนอื่นเนี่ยมากไปด้วยการฆ่ามากด้วยการเบียดใช่ไหมปทัทสละเข็นฆ่ากันเช่นเราเห็นคนเขาฆ่าเป็ดฆ่าไก่เรานั่งอยู่นี้เราก็จะรู้ว่าโรงงานฆ่าสัตว์ตอนนี้กลาลังฆ่าบิวานวาเรน ปลาเขากําลังฆ่ากันเป็นว่าเล่นหมูเขากำลังเชือดกันยังว่าเล่นเนี่ยจริงๆที่เรานั่งอยู่เนี่ยเป็ดไก่ช้างม้าวัวควายทั้งหลายสัตว์ที่มนุษย์ที่จะเอามากินเป็นอาหารเน้่ยเขาฆ่ากันอย่า ง, างบ้าคลั่งเนี่ยแล้วก็ผู้ที่ทําเกษตรทั้งหลายก็ฉีดยาเข้ามาแรงฆ่ากันอย่างหูดับตับไหมเนี่ยนะแล้วมนุษย์ที่ฆ่ากันเองก็เยอะใช่ไหมวางระเบิดวางเพลิงเลยก็วางกันไปเถอะสัตว์ทั้งหลายในโลกใบนี้เข่นฆ่ากันโอ้โหมากมายมาก พอเราเห็นแบบเสร็จอย่างนี้ใช่ไหมที่เราศึกษามาดีแล้วนี่แหละฟังคําสอนมาดีแล้วแล้วก็บอกว่าชนเหล่าอื่นจะเป็นผู้ฆ่าสัตว์เบียดเบียนสัตว์ในข้อนี้เราจะงดเว้นจากการฆ่าเราจะมีความรักความปรารถนาดีความเอื้อทรปรารถนาให้สัตว์ทั้งหลายขอให้สัตว์ทั้งหลายจงเป็นผู้มีอายุยืนจงปลอดภัยจากการถูกฆ่าเถอะและจงมีความสุขกับการมีอายุยืน จงประกอบทําความดี่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยเราให้ความปลอดภัยในชีวิตของสัตว์ทั้งหลายในจักรวาลทั้งสิ้นเราคิดอย่างนี้นะตอนนั้นเรามีสราระข้อไหนในสามอย่างพุทธธรรมะหรือสังฆะตอบมาเอาใครว่าข้อหนึ่งยกมือใครว่าข้อสองยกมือใครว่าข้อสามยกมือใครยังคิดไม่ออกยกมือ น, นี่ถามจริงๆนะเนี่ยเอาแค่ว่าข้อหนึ่งยกมือแค่ว่าข้อสองครว่าขออ้าขอสามไอ้ที่ไม่ยกมือแปลว่าแปลว่ายังคิดอยู่แล้วจะคิดไปถึงเมื่อไหร่บางคนอย่างนี้นะที่ไม่ยกมือเนี่ยเดี๋ยวดูจังหวะก่อนอันไหนถูกจะยกอันนั้นนี่หัวหมอนี่เล่นแบบเนี้ย อย่างนี้ว่าจริงๆโดยตัวของของการงดเว้นจากการฆ่าเนี่ยเป็นตัวพระธรรมนะเป็นตัวพระธรรมเพราะงดเว้นจากการฆ่าเนี่ยเป็นตัวศีลเป็นตัวธรรมะนั่นแหละเป็นธรรมมังสรารนังกระฉามีแต่ถ้าเราคิดว่าเหตุที่งดเว้นจากการฆ่านี้เพราะเราเห็นโทษของการฆ่าเห็นโทษของความเป็นผู้มีอายุสั้น เห็นโทษของความแตกก้าวเห็นโทษของความที่ต้องวิบัติเพราะการมีชีวิตเป็นต้นแล้วก็พอฟังพุทธโอวาทมาคิดถึงพระพุทธเจ้าแล้วก็น้อมตามคาสอนเอาพระพุทธเจ้าเป็นประธานอย่างนี้เขาเรียกมีพุทธทางสระนังกัจฉามิเข้าใจยางแต่ท่านน้อมตัวธรรมะโดยตรงตัวสภาวธรรมโดยตรงทิ้งวัดเว้นจากการฆ่า อันนั้นเป็นธรรมังสรนังขฉามิแต่ถ้าเห็นการงดเว้นจากการฆ่าทั้งหลายมีอยู่ในภ้าดิยะบุคคนทั้งหลายเพราะผ้าดิยะบุคคลเหล่านั้นเน่ยเดินตามคําสอนพระเจ้าก็น้อมปฏิบัติตามที่ผ้าดิยาทั้งหลายเนี่ยท่านปฏิบัติปฏิบัติอันนี้เป็นอะไรสังคังสารนังขฉามินี่ก็เรียกมีสรณะนะธรรมะยากไหม ยากไม่ยากไม่ยากหรอกถ้าตั้งใจจริงๆไงที่ยากว่าเราตั้งใจเบาแค่นั้นเองก็คือตั้งใจน้อยหรือขนาดไม่ตั้งใจเลยเนี่ยนะลองตั้งใจปางจริงๆทำไมเราจะคิดไม่ออกใช่ไหมแค่นี้ใช่ไหมใช่สรุปแล้วแล้วแต่เราจะปรารบอะไรเป็นใหญ่เป็นประธานถ้าปรารบพุทธเจ้าก็มีพุทธะเป็นสารณะถ้าปรารพระธรรมก็มีธรรมะเป็นสารณะถ้าปรารบพระสง์ ก็มีสังคาเป็นสรานะเพราะพุทธธรรมสังคาเป้าหมายของเราเพื่ออะไรเนี่ยก็คือสภาวะที่ดับทุกข์เราต้องการจะดับทุกข์ใช่ไหมเอยาอยากไหมยากทีนี้อา้าต่อไปเลยเนี่ค่อยๆขยับไปที่อะไรเนี้ย พอจับหลักได้นะพุทธคุณเนี่ยนะถ้าเรามองอย่างนี้ก็คือว่าพอได้จุดตั้งหลักเวลาเราสวดพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณไม่ใช่สวดลอยๆและไม่ใช่สวดเฉยๆแล้วเวลาสวดเสร็จปุ๊บพุทธโอวาสหรือพระธรรมคำสอนของพระเจ้านั้นจะประเด็นชัดในใจ ว่าเราเนี่ยจะฝึกขัดขัดเราตัวเองนะพัฒนาตัวเองเข้าไปเป็นพุทธาให้ได้เข้าเป็นบุคคลที่ประเสริฐให้ได้เราต้องยอมรับข้อเท็จจริงนะว่าตอนนี้เราเป็นมนุษย์ที่ยังไม่ได้รับการฝึกนะกําลังเท่านั้นเองนะกําลังจะนะแต่จะเนี่ยบางทีจะมาจนอายุขนาดนี้นะบางคนเนี่ยนะใช่ไหมล่ะใช่ไม่ใช่ โอ้ตัวนี้ต้องยอมรับข้อเท็จจริงตรงนี้ก่อนว่าเราแค่กำลังเท่านั้นเองแต่บางคนเนี่ยกำลังมาตั้งนู้นเนี่ยตั้งแต่เล็กๆมาก็กำลังกำลังอย่ยาแล้วไม่ยอมฝึกสักทียุ่งเลยเนี่ยทีนี้การที่เราจะสามารถเดินเนี่ยนะเราก็เสริมกำลังเข้าไปอีกได้ด้วยส่วนที่จะช่วยให้ศรัทธามีจุดจับที่ชัดและแข็งแรงยิ่งขึ้นในแง่มุมของความเป็นแบบอย่างโดยเฉพาะในขั้นตอนการศึกษา ถ้าเรามอง่พระพูดถึงพุทธคุณก้าวที่เราสวดเนี่ยนะมันกว้างขวางมากมายใช่ไหมเราสวดเนี่ยบางคราวเราก็จับประเด็นไม่เจอแต่ถ้าย่อลงก่อนนะ ย, ย่อย่อจากสามเพื่จไปขยายก้าในสามประการพุทธคุณชุดที่ย่อที่สุดเนี่ยนะมีอยู่สามหนึ่งภาพปัญญาคุณสองภาพรบริสุทธิคุณสาม ถ้ามาหากรุณาที่คุณนะว่าหน่อยทีหนึ่งว่าหน่อยทีหนึ่งสองสามเออเนี่ยมีสามมียอดเนี่ยพระพุทธเจ้ามีคุณสามประการเี่เป็นผู้ประเสริฐที่เรามีศรัทธาเคารพบูชาได้อย่างสนิทใจทีนี้นอกจากเคารพบูชาได้อย่างสนิทใจแล้วก็ เ, เอาอย่างด้วยเราเนะี่ยเอาอย่างพระพุทธเจ้านอะเราเรียกว่าฝึกเพราะฉะนั้น คุณทั้งสามประการนี้ก็เรียกเป็นอะไรเนี่ยเป็นแบบอย่างให้เราเราควรจะประพฤติปฏิบัติตามทั้งก็คือทั้งตัวอยู่ในหลักของคุณทั้งสามประการนี้แล้วก็พัฒนาคุณสามประการนั้นทําตัวเองให้มีคุณสมบัติเพิ่มขึ้นทีนี้ถ้าเรามองอย่างนี้ก็จะเห็นบอกว่าโอถ้าปัญญาคุณเนี่ยถามว่าเราจะฝึกเราให้มีปัญญาได้ไหมได้ไม่ได้ ถ้าบริสุทธิ์ที่คุณเนี่ยจากที่เราไม่บริสุทธิ์เพราะเรามีกิเลสอยู่เนี่ยเราจะฝึกพัฒนาของเราให้เข้าถึงความบริสุทธิ์ได้ไหมถ้ามหากรุณาที่คุณจากเราเป็นคนที่ไม่ค่อยกรุณาใครเลยเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะหาพระว่าเนี่ยว่าไม่กรุณาเนี่ยถามว่าจิตใจเราเนี่ยบางทีแห้งแล้งนะต้องยอมรับข้อเท็จจริงตรงนี้ก่อนนะแห้งแล้งหรือไม่แห้งแล้ง ถามว่าเวลาเราอุ่นเนี่ยเราเคยคิดถึงคนที่เขาหนาวไหมเวลาเราอิ่มเนี่ยเราเคยคิดถึงคนที่เขาหิวจริงๆริงไหมเคยกรุณาเขาไหมลองดูจิตใจเราดูนะในยามที่เรานั่งอยู่ในห้องแอร์เราเคยคิดถึงคนที่อยู่กลางแดดไหมในยามที่เรามีเงินมีทองใช้เราเคยคิดถึงคนยากจนไหม ในยามที่เราอยู่สุขสบายเราเคยคิดถึงคนเขาเจ็บปวดทรมานหรือไม่แล้ว เ, เคยกรุณาเขาจริงจริงไหมหรือเราแห้งแรงเวลาเราเห็นคนบุคคลทั่วๆไปเนี่ยทําไมเราคิดเบียดเบียนเขาเช่นเวลาใครทําประทุสไรหเหล่านิดหน่อยแเราก็คิดเบียดเบียนเขาให้เขาวิบัติอะไร เ, เนี่ยอันนี้บ่งบอกอะไรเนี่ยบ่งบอกว่าการุณาในใจเรามีน้อยหรือมีมากมีน้อยไม่ใช่มาก เราเป็นผู้แห้งแรงฉะนั้นพอเราจับประเด็นว่าผู้พเจ้ามีพระปัญญาคุณผู้พเจ้ามีมีอะไรพระบริสุทธิ์ที่คุณผู้พเจ้ามีพระมหากรุณาที่คุณเราจะพัฒนาเราให้มีปัญญาได้ไหมจะพัฒนาเราให้เป็นคนบริสุทธิ์จากที่ยังไม่บริสุทธิ์จากกิเลสเนี่ยได้ไหมจะพัฒนาตนเองให้เป็นคนมีกรุณาในใจเนี่ยเริ่มจากเล็กๆในน้อยเนี่ยเข้าไปถึงกรุณาอย่างกว้างขวางได้หรือไม่ได้ นี่เขาเรียกว่าจับประเด็นพุทธคุณสามประการแบบย่อไว้เราจะได้ฝึกตัวเองอย่างนี้เ็าเรียกว่าศรัทธาเชื่อมั่นว่าตอนนี้เรายังไม่มีปัญญาเพียงพอในการที่จะสามารถละกิเลสได้ก็พัฒนาสิข้อมูลเนี่ยฟังตั้งใจฟังยอะไม่ใช่มองเห็นไดอย่างยอมแต่เนี้ยสวดพุทธคุณทำอาคุณสังคคุณแล้ว ส, สวัสดพุทธคุณแล้วเราจับประเด็นได้อะ แล้วย่อให้ชัดขึ้นมาได้แล้วจะเดินตามอย่างพทธเจ้าเนี่ยถามตอนนี้เรามีปัญญาเรื่องทานกุศลไหมเริ่มเข้าใจหรื อ, อยังเริ่มเข้าใจเดี๋ยวพ่อจะถามนะเข้าใจเรื่องศีลกุศลหรื อ, อยังยังไม่ถึงอีกยังไม่สอนเลยเยังไม่ได้แนะนำเลยจับลุกขึ้นมาถามก็ตอบไม่ถูกอีกเนี่ยพวกเราเนี่ยต้องมาจับปูพรมใหม่นะ ไม่ใช่ปลุพร้อมให้นอนนะปลุพรอมหมายความว่าต้องไล่ถามทุกคนเนะี่ยถึงจะทําถูกนะเพราะอะไรเอา้าเพราะเราถูกสิ่งแวดล้อมที่มันไม่ถูกกรอบเกลื่อนเยอะไงเราเข้าใจว่าเรามีเราให้ทานถูกแล้วใช่ไหมเล่าแต่พอมาชี้ตรงๆบางคนโกรธอีกนะอย่าไปโกรธเพราะว่าการให วิธีคิดจะไม่ให้โกรธนะเวลาพลามาบรรยายเนี่ยวิธีคิดง่ายๆเบื้องตน้นเช่นอ๊ยทําไมเราทําอะไรก็ไม่ถูกทําอะไรก็ไม่ถูกเนี่ยถ้ามันจะงดหยุดให้คิดยังไงไหมเออไม่ใช่เฉพาะเราเราเป็นกันทั้งทั่วไปนะทั้งลบบุรีนั่นแหละถ้าคิดอย่างนี้หายไหมหายโกรธภาพไหมเออคอยช่วยมีคนรับผิดแทนเราเพราะเราเป็นพวกชอบปัดภาร ะ, ะให้คนตัวอยู่แล้วใช่ไหมล่ะเนี่ย การปัดพาไลยพ้นตัวนี่แหละคือการแก้ปัญหาที่ง่ายและยากยากที่สุดเพราะเราคิดว่าเรารู้ไอการคิดว่าตนเองรู้เสร็จแล้วเนี่ยมันปิดหมดเลยนะข้อมูลเนะี่ยยากที่สุดแต่ถ้าใครคิดว่าไม่รู้เนี่ยโอ้โหง่ายมากเอาถ้าเราไปเจอนักเรียนสักคนทั้งๆที่เขาไม่รู้เรื่องเลยเราไปสอนเนี่ยพ่อครูเขาจะสอนกขานั่งกระดิกเท้าฟังไปไปไปไปทําไมไม่ฟังรู้แล้ว พอเราจะถามไม่ต้องถามขี้เกียจตอบนี่จบในงานเนี้ยแล้วไปเจอนักเรียนอย่างเงี้ยถ้าเจอนักเรียนอย่างเงี้ยยุ่งเลยยุ่งเลยใช่ไหมล่ะกํามก ำ, กำลังตามสนอง <c oughs> อันนี้เอามาพูดเนี่ยามาพูดด้วยเมตตาเนี่ยดูเหมือนจะนั่นบเบดเสร็จก็คือว่าการทนายเราได้ข้อมูลเอาคุณของพระเจ้าโดยย่อมีกี่ประการหนึ่ง คือหนึ่งอะไรนะสองสามคำว่าภาพปัญญาในที่นั้นแปลว่าปัญญาที่ละอะไรได้ออละเช่นละการให้ทานแบบฉันทาคติได้ ฉันทะทานังก็ละได้โทสะทานนางก็ละได้การให้ทานเพราะความโลภก็ละได้การให้ทานเพราะความโกรธก็ละได้การให้ทานเพราะความมืดบอดรุ่มหลงก็ละได้การให้ทานเพราะความกลัวก็ละได้การให้ทานตามประเพณีก็เข้าใจการให้ทานแบบหวังสุขติโลกสวรรค์การให้ทานแบบเพื่อสุขใจธรรมดา แต่กับกายมีปัญญาที่ไปรู้ไปเข้าใจว่าให้ทานเพื่อประดับตกแต่งจิตปรุงแต่งจิตไปสู่ศีลสมาธิปัญญาไปสู่ศรัทธาวิริยสติสมาธิปัญญาอย่างไรอันนี้คือปัญญาเห็นไหมเราต้องการพัฒนาปัญญาตัวนี้แหละเพราะพระพุทธเจ้ามีอะไรมีพระปัญญาคุณแล้วก็ปรารถนาที่จะทําปัญญาให้เกิดขึ้นเมื่อปัญญาเกิดขึ้นจะละอะไรได้จะละความไม่รู้ความไม่เข้าใจ หรือความเข้าใจผิดให้หมดสิ้นไปจากกระแสของชีวิตใช่ไหมใช่เออปัญญาสําคัญไหมปัญญาสําคัญกว่าทรัพย์ไหมสําคัญกว่าทรัพย์หรือไม่สําคัญกว่าทรัพย์ระหว่างปัญญากับทรัพย์เอาอะไรปัญญากับเงินเดือนเอาอะไรเอาอะไรปัญญากับบ้านเอาอะไร ระหว่างบ้านกับปัญญาเอะไรปัญญากับสามีเอาไรเออที่จริงนะ่ะปัญญานะ่ยประเสริฐกว่าทรัพย์ปัญญาประเสริฐกว่าอาวัยวะไหมปัญญาประเสริฐกว่าญาติไหมปัญญานี่ประเสริฐกว่าชีวิตไหมโอ้นี่ปัญญาเขาสาคัญกว่า ทรัพย์สำคัญกว่าญาติสําคัญกว่าอวัยวะและสําคัญกว่าชีวิตแต่คนที่ไม่มีปัญญาทั้งหลายเนี่ยเขาก็ทําอะไรทุกอย่างก็เอาไปหวังแค่ทรัพย์เนี่ยหวังแค่ญาติหวังแค่อวัยวะหวังแค่ชีวิตแล้วัไปหวังอะไรกับสิ่งที่มันไม่มีสาระเนี่ยถามว่าทรัพย์ที่มีได้เนี่ยเพราะอะไรเพราะคนมีปัญญาถามว่าคนไม่มีปัญญาจะรักษาทรัพย์ได้ไหม รักษาวัยวาก็ไม่ได้รักษาญาติก็ไม่ได้รักษาชีวิตเจอเด็กก็ไม่ได้คนไม่มีปัญญาเนี่ยพ้นทุกข์ไม่ได้คนไม่มีปัญญ า, นะญญารักกิเลสก็ไม่ได้ระหว่างไปสอนคนที่ไม่มีปัญญากับสอนคนมีปัญญาแล้วอันไหนอันไหนมีความสุขมากกว่ากันถามจริงอเออแล้วคิดว่าเอามาเนี่ยวเวลามาสอนกับคนเนี่ยสอนสอนครูที่มีปัญญากับครูไม่มีปัญญาอันไหนว่าจะมีความสุขกว่ากัน เออมีปัญญาสุกกว่าใช่ไหมเอ๊ะแล้วพวกเรามีปัญญาเยอะไหมไม่จริงๆก็มีเยอะแต่เพียงว่าเราชอบเอาปัญญาไปเก็บไว้ในที่ลึกเกินไปแค่นั้นเองใช่ไหมล่ะใช่ไเปิดปัญญาเปิดให้ออกมาหน่อยแค่นั้นเดี๋ยวปัญญาก็จะวิ่งออกมาเองตรงนี้ก็คือเห็นไหมว่าปัญญานี่แหละเป็นสิ่งที่เราจะต้องพัฒนาตามพระพุทธเจ้า ทำปัญญาให้เกิดให้ได้สำคัญหรือไม่สำคัญความที่จะฝึกตนเองไหม เ, เห็นไหมปัญญาเนี่ยสำคัญมากประการต่อมาคือพระบริสุทธิ์พระบริสุทธิ์ที่คุณตอนนี้เราต้องบอกว่าเราเป็นสัตว์ที่ยังไม่บริสุทธิ์มองอทีก็คือไม่สะอาดเราคึกว่าความสะอาดหมายถึงเสื้อผ้าเนาะ การที่เราไปจัดอาบน้ำให้สะอาดแต่งเนื้อแต่งตัวให้ดีไปชำระสะาดสางเราียกว่าอันัสะอาดแต่แท้ที่จริงแล้วเนี่ยความกำหนัดความยินดีความเพลิดเพลินความโกรธความพยาบาทความอาฆาตความริษยาตลอดถึงความแข่งดีทั้งหลายนี่นะความลังเลสงสัยความหงุดหงิดฟุ้งซ่านทั้งหลายเหล่านี้ สิ่งต่างๆเหล่านี้แหละเป็นความไม่สะอาดของกระแสชีวิตฉะนั้นเราพระพุทธเจ้าเป็นสัตว์ที่เป็นบุคคลที่ฝึกแล้วเป็นบุคคลที่พัฒนาแล้วเป็นบุคคลที่บริสุทธิ์สูงสุดแล้วเราก็ตั้งอัธยาศัยจากเริ่มฝึกตนเองเนี่ยขจัดราคะโทสะโมหะตอนนี้เรายังมีกายทุจริตอยู่ไหมมีหรือไม่มีเรายังมีการฆ่าสัตว์อยู่ไหมมีเนาะยังมีการลักทรัพย์อยู่ไหม ในอดีตมีไหมเชื่อไหมตอนนี้ที่เรายังไม่รักเพราะมันยังไม่ได้โอกาสคนที่จะที่จริงมันยังไม่ได้โอกาสโทษอย่างนั้นนะถ้ามีโอกาสจริงๆคิดว่าจะรักไหมเอายกตัวอย่างนะเกิดภาวะสงครามโดยภาวะสงครามอะไรทตเนี้ยบ้านเมืองเกิดจราจน บ้านเราก็ถูกเผาเงินทองก็หมดนี่เราวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งไปแต่เนี้ยไปเจอบ้านคนอื่นเขาเขามีของในร้านค้าเป็นอาหารบ้างเราก็หิวแทบตายถามว่าเราจะวิ่งไปรักเขาไหมอา้าวถามคนดีทั้งหลายจะวิ่งไปรักไหมหิวตาลายแล้วเนี่ยจะเป็นลมอยู่แล้วเนี่ยเขาเห็นคนอื่นเขาวิ่งหยิบกันเป็นแถวเป็นแนวจะไปเอาไหมเอาไม่เอา นี่ความจริงพูดความจริงออกมาเนะเอาไม่เหลือหรอกใช่ไหมล่ะนี่ไงความไม่มั่นคงตรงนี้แหละจะได้รู้ว่าเราเนี่ยเป็นสัตว์ที่ยังไม่สะอาดถ้าคนหมดกิเลสในใจที่ามาถึงจะเชื่อว่าท่านบนนี้ยังไงก็ไม่รักพระอริยะบุคคลนี่นะพระโสดาบัน น, นี่นะ ไม่น้อยแม้จะหยิบเข็มของใครแม้แต่เล่มเอางี้บุคคลที่เป็นสัตว์ที่สะอาดนี่นะถ้ า, มาแมลงวันนะหนึ่งตัวจับเงี้ยมีคนเอามีดมามามามามามาชี้ที่ที่คอบอกว่าเนี่ยถ้าท่านไม่อยากตายท่านก็จะฆ่ า, มาแมลงวันตัวนี้เสียเชื่อไหมว่าบุคคลที่เขาหมดบริสุทธิ์เนี่ย เขาจะไม่ยอมตายเพราะเขาจะไม่ยอมฆ่ า, มาแมลงวันตายเพราะเหตุแห่งชีวิตของเขาเราคิดดูที่มแมลงวันตัวเดียวเนี่ยในความรู้สึกของเราค่ามีที่แค่ไหนเนี่ยไม่มีค่าเลยนะแต่ในความคิดของบุคคลทั่วๆไปใช่ไหมล่ะพราะเรายังเอายาฆ่ า, มาแมลงวันใสใ่มันกินอยู่เยอะแยะหมดเอาเอาเล็กกว่ า, มาแมลงวันเอายุงอะ่ะไอยุงมันกัดกัดเราอยู่ด้วยแล้วเขาบอกว่าเอา้า คุณจะเอาระหว่างยุงกับชีวิตของคุณนะเลือกเอาถ้าคุณไม่ยอมตบยุงตัวนี้ให้ตายฉันจะตัดคอคุณนะนะจะตัดคอคุณให้ขาดถามว่าเราจะเอาชีวิตหรือจะเอายุงหรือจะไปเราจะาชีวิตของเราไว้หรือเอายุงไว้นี่ไงจะได้รู้ความจริงก็ว่าจริงๆแล้วเราเป็นผู้ที่ยังไม่บริสุทธิ์เอออย่างเงี้ย นั่นแหละตั้งใจเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีการตั้งใจนี่แหละเพื่อจะเป็นปัจจัยต่อการที่เข้าเป็นละกิเลสพราะพุทธเจ้าเนี่ยจกไม่ฆ่าสัตว์อื่นเนื่องด้วยอวัยวะของตนเองเนื่องด้วยชีวิตตนเองนัไม่เห็นไหมเราดูเหมือนเอ๊ะทาไมบุคคลที่เขามีกายที่สะอาดเขาสะอาดขนาดนี้หรือเพราะเพราะเขา เข้าถึงความบริสุทธิ์เข้าถึงความจริงแล้วถึงไม่รักชีวิตตนเองเพื่อไปเบียดเบียนชีวิตของคนอื่นวาจาของเราบริสุทธิ์หรือยังเออพอมยังมีกิเลสอยู่ใจไม่ต้องพูดถึงใช่ไหมล่ะเนี่ยสรุปแล้วตอนเนี้เรารู้แล้วกายของเราก็ยังไม่สะอาดวาจาของเราก็ยังไม่บริสุทธิ์เนี่ยนะกายก็ไม่บริสุทธิ์วาจาก็ไม่บริสุทธิ์และใจก็ไม่บริสุทธิ์ แต่พระพุทธเจ้านั้นเป็นผู้ที่มีกายก็บริสุทธิ์วาจาก็บริสุทธิ์ใจก็บริสุทธิ์แล้วนี่ไงเพราะบริสุทธิ์ที่คุณศรัทธาพระพุทธเจ้ายัางพระพุทธเจ้าบริสุทธิ์จริงๆฉะนั้นก็ตั้งมั่นในพระพุทธเจ้าแล้วเราก็จะฝึกตนเองเข้าถึงความบริสุทธิ์ให้ได้ประการต่อมาพระเจ้ามีพระมหากรุณาธิคุณเราเป็นผู้ที่คิดเบียดเบียนคนอื่นตลอดเวลาเนาะ ต่อไปเราจะตั้งกรุณาในใจเยอะๆก็จับประเด็นตรงนี้แล้วก็จะสามารถนี่เขาเรียกว่าได้พุทธคุณนะประการต่อมาก็คือว่าเมื่อเราเข้าใจพระปัญญาคุณพระบริสุทธิคุณพระมาหารุณาที่คุณแล้วก็จะเป็นแบบฉบับในการที่จะทำให้เราฝึกตนเองอย่างนี้แล้วเนี่ยทีนี้ในคุณของพระเจ้าเนี่ย เขาย่ออีกสองนะย่อเป็นอัตตะสมบัติความถึงพร้อมแห่งประโยชน์ตนนี่นะสังเกตให้ดีนะคือทรงทำประโยชน์ส่วนพระองค์เสร็จสิ้นบริบูรณ์แล้วคือพระเจ้าทำอะไรพระเจ้าบำเพ็ญทานบา ร, รมีได้ถูกต้องไม่ได้ให้ทานเหมือนแปดอย่างเหมือนเจ็ดอย่างพระเจ้าบาเพ็ญทานบา ร, รมีระดับที่แปดนะ เหมือนการให้ทานเพื่อประดับตกแต่งจิตบุงแต่งจิตนะถึงจะเป็นบา ร, รมีจ้างไว้จําไว้ตรงนี้นะถ้าให้ทานแบบฉันทะทานให้ทานเพราะลําเอียงเพราะความรักนี่นะเพราะความโกรธเพราะความไม่รู้เพราะความกลัวให้ตามประเพณีให้หวังสุขติโลกสวรรค์ให้แล้วสบายใจเจ็ดประการนี้เป็นบา ร, รมีหรือไม่เป็นเป็นหรือไม่เป็นไม่เป็นบา ร, รมี อยาเป็นได้ยังการรักษาศีลก็ไม่เป็นถ้าเป็นแบบนี้ไม่เป็นยากไม่ยากอตอนนี้เราจะเริ่มมาเป็นบารมีกันได้ยังปากเลย <c oughs> เวลาเท่าไหร่แล้วเนี่ยฮะอ๋อห้าสิบสองเนี่ยเอ้าฝากให้ถามปัญหาก่อนเลยตอนนี้ ใครจะถามปัญหาถ้าไม่ถามเดี๋ยวจะสรุปประเด็นตรงนี้นะนี่ไงเขาเรียกอัตตถสมบัติพระพุทธเจ้าเนี่ยถึงพร้อมด้วยสมบัติคือบำเพ็ญประโยชน์ตนบำเพ็ญประโยชน์ตนก็คือประโยชน์ของพระองค์เสร็จสึ้นบริบูรณ์ก็เพราะพระพุทธเจ้าบำเพ็ญทานบา ร, รมีศีลบา ร, รมีเนคขมารบารมีปรรัญญาบา ร, รมีวิรยิยะบา ร, รมีขันติบา ร, รมีสัจจะบา ร, รมีอธิฐานบา ร, รมี เมตตาบา ร, รมีและอุเบกขาบา ร, รมีเอาละตอนนี้พัฒนาคุณสมบัติของตอนเองทุกประการทุกอย่างทั้งศีลทั้งสมาธิทั้งปัญญาบริบูรณ์บรรลุจุดหมายสูงสุดถึงวิชาถึงวิมุตถึงวิสุทธิถึงสันติถึงพระนิพพานได้อย่างแท้จริงอันนี้แปลว่าพระพุทธเจ้าบำเพ็ญประโยชน์ตนได้อย่างสูงสุดอย่างบริบูรณ์นะประการต่อมา ปรัฏฐสมบัติพระพุทธเจ้าก็ปร ะ, ประพฤติปฏิบัติประโยชน์แก่บุคคลอื่นส่งบำเพ็ญพุทธจริยาเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นทั้งด้วยพระองค์เองและทรงส่งสาวกไปประกาศศาสานธรรมเห็นไหมพุทธเจ้าเนี่ยบำเพ็ญประโยชน์ของพระองค์เองให้บริบูรณ์ด้วยนะในฐานะความเป็นพุทธเจ้าแล้วไม่พอพุทธเจ้าก็ประกาศบอกให้สาวกที่ได้ตัดสู้ตามพุทธเจ้าทําประโยชน์ตนเองนะให้บริบูรณ์แล้วเนี่ย ส่งราษาวกไปประกาศให้ประชาชนศึกษาประพฤติชอบดำเนินชีวิตที่ดีงามให้พระพุทธศาสนาแผ่ขยายออกไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนเพื่อเกื้อกูลหรือเกื้อการุณแก่ชาวโลกแปลว่าอะไรเนี่ยพระเจ้านั้นบริบูรณ์ทั้งประโยชน์ตนไหมประโยชน์ตนก็บริบูรณ์และประโยชน์บุคคลอื่นก็บริบูรณ์นี่ไง พุทธคุณข้อแรกคืออัตตาสมบัติเน้นที่พระปัญญาเพราะเป็นคุณสมบัติที่ให้สำเร็จเป็นพุทธภาวะเห็นไหมเน้นที่ปัญญาเลยนะพระเจา้าเพรามีปัญญาจึงตัดสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณคือความเป็นพระเจ้าและทรงเป็นอัตนาถาคือเป็นพึ่งตนเองได้พระเจ้า พ, พึ่งตนเองได้นะฉะนั้นเรียกสั้นๆว่าอัตตาสมบัติเนี่ย พระพุทธเจ้าสามารถพัฒนาตนเองได้จนเป็นพระพุทธเจ้าได้คุณข้อสองบรรดาสมบัติเน้นที่กรุณาพระเจ้าเน้นที่กรุณาคุณเป็นหลักใหญ่เลยนะพระเจ้ามีพระมหากรุณาที่คุณต่อเราท่านทั้งหลายถามว่าทําไมอามาถึงมาสอนที่นี่เอามามาสอนตามใครบอกตามเนรลุตบอกใช่ไหม ตามสำเนียงรถบอกใช่ไหมตามใครอา้าตามพุทธโอวาสพุทธโอวาสบอกว่าเธอจงเที่ยวจาริกไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ประชาชนเพื่อเกื้อกูลแก่โลกเพื่อการุณเขาการุณาเขาที่เขาไม่รู้ให้เขารู้ให้เขาเข้าใจเรื่องทานเรื่องศีลเรื่องภาวนานี่ไงเราเห็นพักกรุณาคนของพระเจ้าหรือยัง ว่าที่ามามาสอนเนี่ยไม่ใช่รับค่าจ้างรางวัลมาสอนไม่ใช่เห็นแก่ว่าเออมันจะได้ชื่อเสียงไม่ใช่เห็นแก่ว่าจะได้เงินได้ทองไม่ใช่แต่มานั้นตามพุทธบัญชาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าบอกว่าเออจงทําประโยชน์ต่อผู้อื่นด้วยก็เนี่ยก็มีความกรุณาตนเองแล้วก็กรุณาพวกเราด้วย ว่าเนี่ยเพราะความไม่รู้นี่แหละเป็นเหตุทําให้เราเ ด, เดินทานกุศลไม่ถูกศีลกุศลไม่ถูกภาวนากุศลไม่ถูกใช่ไหมถามว่าเห็นพระมาประกาศคําสอนอย่างนี้เรานึกถึงพระเจ้าไหมถ้าไม่มีพระเจ้าแล้วจะมีพระมานั่งบอกประกาศอย่างนี้ไหมมีไม่มียมนิกไม่มีนั่นแหละน้อมไปที่พระมหากรุณาธิคุณของพระเจ้าโน้นนี่แหละพระเจ้ามีกรุณาในเรา เวลากราบพระเจ้ า, าจะได้กราบแบบสนิทใจใช่ไหมใช่อจะได้มีความเชื่อมั่นมากขึ้นว่าเป็นบุญยราภของเราเนาเราได้ดีแล้วเานาเนี่ยตรงนี้ก็คือเพราะคุณสมบัติที่สำเร็จพุทธกิจก็คือการทำหน้าที่ของพระเจ้าและความเป็นโลกนาถก็คือเป็นที่พึ่งของชาวโลกพุทธคุณโดยย่อสองอย่างเนี้ย เป็นชุดที่ท่านสอนกันมานานแต่ในคัมภีร์เก่าๆสอนกันมาอทีนี้พุทธคุณทั้งสองประการนี้เป็นจุดเริ่มได้เหมาะอย่างยิ่งง่ายในแง่ที่จะมีแค่สองแล้วมองเห็นเด่นนะมองเห็นเด่นชัดบอกว่าคำหนึงถึงตัวเองแล้วกับบุคคลอื่นกับสิ่งแวดล้อมด้วยเห็นไหมถ้าเรามองอย่างนี้ประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นเนี่ย ล้วจะเห็นชัดถ้ามองในลักษณะอย่างนี้ว่ามองทั้งเห็นว่าเออเราจะเริ่มขวนขวายในการทำประโยชน์ตนไปด้วยและในขณะเดียวกันก็จะขับเน้นประโยชน์บุคคลอื่นไปด้วยอันนี้ก็คือว่านอกจากตรงนี้ก็คือจะทำให้เราได้ข้อสรุปว่าพุทธคุณก้าย่อมาเท่าไหร่ อิติปิโสภควาอสวัดิตพุทธคุณหน่อยทีหนึ่งสออิติปิโสหนึ่งสองสมันโดมือขึ้นโลวิจจาจารณสัมปันโนสุขโตโลกาวิ đu อนุตโรภุ ร, าาสริสัตตาสาราธิสัต เทวมนุษย์สานพุทโธภาควาตีนี่เก้านะเอายอดสามอันนี้จากก้าแล้วนะเอายอดลงในลงเหลือสามคือหนึ่งพระพระปัญญาคุณทรงตัดสู้ได้ด้วยปัญญาสองพระบริสุทธิคุณสาม พอเห็นตรงนี้เบลเสร็จพร้อมที่จะพัฒนาตนเองให้มีปัญญาให้มีความบริสุทธิ์ให้มีความกรุณาไหมเอาย่อให้เหลือสองย่อจากสามมาเหลือสองเป็นเป็นอะไรอัตตาสมบัติอัตถสมบัติถึงพร้อมด้วยประโยชน์ตนตอนนี้ประโยชน์ตนตอนนี้เรามันเพ็นอะไรได้บ้างทานบา ร, รมีได้หรื อ, อยังศีลได้หรื อ, อยังเนคขม้ได้ปัญญาได้ออยังสรุปก็คือว่า ได้ทานด้วยได้ศีลได้สมาธิได้ปัญญาเป็นต้นเหล่านี้ตอนนี้ประโยชน์ตนเริ่มระดมธรรมหรือยังเริ่มหรือยังจะเริ่มระดมธรรมให้เต็มที่เนี่ยประโยชน์ตนประท่าสมบัติประโยชน์บุคคลอื่นตรง น, นี้ก็มาสรุปเป็นสองประการสรุปแล้วก็คือพุทธคุณเก้าย่อมาเหลือสามย่อมาเหลือสองก็จะได้จับประเด็นได้ชัดขึ้นในการที่จะฝึกตนเองพัฒนาตนเองนะ เอาไว้ตอนมาสวมดมนต์แล้วก็ค่อยอุทิศส่วนกุศลนะตอนก็มีใครจะถามปัญหาสักข้อไหมไม่มีแล้วเนาะขออนุโมท น, นากับพวกเรานะที่ตั้งใจฟังอย่างตั้งใจและตั้งใจปันกลางจะสรุปก็ขอว่าเออพวกเราตั้งใจก็แล้วกัน บางคราวเราอาจจะมีการอ่อนล้าบางเพียบบ้างนะเป้าหมายทั้งหมดก็ปรารถนาอย่างให้เรามีกาลังใจในการที่จะฝึกขัดขัดกล่าวพัฒนาตนเองจริงๆกระบวนการเรียนรูก้กระบวนการศึกษากระบวนการฟังคําสอนของพระพุทธเจ้ายังไม่จบเพียงแค่นี้ฉะนั้นเราก็ต้องทําตนเองให้ความถึงพร้อมเพื่อจะรองรับคําสอนของพระพุทธเจ้าประโยชน์ที่จะได้คือพวกเราเต็มๆทําประโยชน์ตนให้เต็มเสีย เมื่อประโยชน์ตนเองได้บริบูรณ์เสร็จแล้วมันจะได้หลั่งไหลสู่บุคคลอื่นได้แต่ถ้าเราไม่ยอมรับประโยชน์ตนให้บริบูรณ์เสร็จนะไม่สามารถจะเอาคําสอนเข้ามาสู่ตนเองเสร็จแล้วอะไรจะไหลไปหาลูกศิษย์แล้วอะไรจะไหลไปหาลูก ไ, ไหลไปหาสิ่งแวดล้อมมันก็กลายเป็นความคิดแบบเดิมๆความเข้าใจแบบเดิมๆข้อมูลคำข้อมูลที่มันไม่ถูกอย่างเดิมๆ ฉะนั้นก็จงรับข้อมูลที่ถูกต้องที่เป็นพุทธโอวาทของพระบรมศาสดาเข้าไปประชุมไว้ในกระแสชีวิตทำให้พยายามพัฒนาตนเองเป้าหมายก็คือต้องเต็มบริบูรณ์แต่ในขณะเดียวกันเมื่อเราได้ข้อมูลมปเสร็จก็การุณาเพื่อแผ่แบ่งปันบุคคลอื่นแต่ไม่ใช่ว่าตนเองยังเติมไม่ได้เลยแต่เป็นกรุณาวิ่งไปข้างนอกเดี๋ยวมันจะพลาดประโยชน์ตนไป เดี๋ยวจะไม่เห็นคุณของพระเจ้าว่าเป้าหมายในการพัฒนาตนเองนั้นต้องเข้าใจคำว่าประโยชน์ตนอัตถะสมบัติเนี่ยพระเจ้าท่านทำบริบูรณ์แล้วพระเจ้านี่ยกายก็อบรมบริบูรณ์แล้วกายก็พัฒนาแล้วศีลก็พัฒนาแล้วจิตก็พัฒนาแล้วปัญญาก็พัฒนาแล้วตอนนี้เรากำลังจะพัฒนากายพัฒนาศีลพัฒนาจิตพัฒนาปัญญาเพื่อจะทาประโยชน์ตนให้บริบูรณ์ แต่ในขณะเดียวกันเราก็ชํเลืองมองคนอื่นก็มีกรุณาฉะนั้นกระบวนการศึกษาเรียนรู้ในกระแสะชีวิตของเราจะได้ล้นเออไปถึงสิทธิ์ใหญ่นุสิทธิ์และบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจําวันของเราอันนี้ก็จะได้ทั้งประโยชน์ตนและบุคคลบุคคลอื่นสิ่งต่างๆเหล่านี้เราเดินตามรอยบาทพระศาสดาเดินตามรอยพุทธโอวาตันแหละขอให้เราพวกเราตั้งใจกลับไปเข้าห้องน้ําก็รีบกลับมาเพอ ประเริมเต็มทำประโยชน์ตนให้บริบูรณ์ดีไหมเออนะะตรงนี้อา้าวกราบท้ากันก่อน